่อไปนะครับดูสวิธีข้อสุดท้ายนะคข้อที่สี่ใช่ไหมเสนณะวัดที่อยู่ในปาที่ถูกกำหนดว่าเป็นที่หน้าหวานะแวงมีพญายาเหล่าใดมีอยู่ที่ส่วนรูปใดไม่ใช่ผู้อาพารักของขี้ทีหรือของบริพกก็ดี ที่เขาไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมาถวายด้วยมือของตนในละแวกอารามเขตวัดคือขกเขี้ยวหรือฉันก็ดีในเสนาชนะเช่นนั้นที่สุรูปนั้นถึงแสดงว่าอัุโสข้าะเจ้าอาบัติอันมีชื่อว่าอภาิเริานิยะอันควรติดเตียนอันไม่เหมาะสม พระพุทเจ้าขอสแสดงอาบัตินั้นเอาไปนั่งเขาว่าที่อยู่อยู่ในเสนาสนะ่งป่านะครับอยู่ในวัดป่าสำนักสงฆ์ป่าก็แล้แต่นะคำว่าป่าคือห่างกลาจากหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งกิโลเมตรนะครับอย่างน้อยหนึ่งกิโลเมตรไม่ใกลเกินสี่กิโลครับไม่ไกลเกินสี่กิโลนะครับไม่ใกล้เกินหนึ่งไม่ไกลเกินสี่นะนี่นะครับนี่แหละเปเสนาสนัส่งป่า ถ้าใกล้เกินก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นม่ได้ช น, น, นะชนะป่าแล้วก็อยู่แค่ในเขตบ้านถ้าไกลเกก็จะไม่สะดวกนคะครับในการเป็นการอยูอย่ด้วยการจิตสัมนญธรรมเพราะกว่าจะมาบนจบักรวาลแลก็กลับไปจะไม่ลบาบากนะครับเดินแล้วแปดกิโลแล้วมา <c oughs> โอ้ลำบากเลยนะครับแล้วก็ไม่สบายานะั่นอย่างนั้นอันนี้เราถึงนั่นี้แต่เป็นชนะชนะที่บอกว่าหน้าหวาแวแนแรงมีภัยเฉพาะหน้านะครับ แมาวว่ามีพวกโจน่ะซ่อมสูงอยู่ในเขตวัด น, นะครับหรือว่าใกล้ๆวันนะมีพวกโจนซ่องสูงอยู่แถวนี้หน่นะครับแล้วก็มีลอกรอยนะครับการถูกต้อนถูนจี้ถูกฆ่าถูกชำร้า้อยู่แถวนี้ด้วยนะเนี่ยแต่เขาไม่ทําอะไรท้านนะแต่คนอื่นะมาแล้วไม่ได้เลยนะครับเขาคอยดับป้อนคอยอะไรอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีอยู่นะพิสุก็อยู่ในวัดเชนนั้นแหล ะ, ะนะครับ ท่นไม่ใช่ผู้อาพาธนะครับจะไปรับของเที่ของฉันของโยมนะเขาจะมาทําบุญเนี่ยโยมเจ้าพระเขาต้องมาแจ้งลูกหน้าก่อนต้องเข้ามาในวัดเลยนะครับเขาจะฝากพระลูกอื่นในคนอื่นมาบอกไม่ได้นะโยมต้องมาเองหรือว่าสั่งโยมด้วยกันอมามาแจ้งพระที่อยู่ในวัดรู้ก่อนว่าเดี๋ยวโยมจะอาหาไปถวายนะหรือว่าจะไปเลี้ยงเพลยเลี้ยงอะไรอย่างวันนั้นวันนี้ก็นั่นไปเลยครับแต่ก็ต้องแจ้งทราบก่อน ถ้าเขาไม่ได้แจ้สร้างก่อนนี้นะยูดีก็มาถวาถิ่นที่เลยนะครับแล้วถ้างไปฉันหรือที่ไม่ได้ปูวยนะฉันก็จะปลามัดไปเที่ยวสถานนี้ในสุดทางบท น, นี้นะครับอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่ได้แจ้งสร้างก่อนนีออะไรขึ้นข้าจะมาไม่ถึงวัดแน่พ่อพุ่นโจรมันจ้องอยู่แล้วนะจ้องรอคนเข้าใหมา่แล้วนะครับ อ, อาจจะไปป้องตา่างระหว่างทางถูกไหมเพราะเขาจะลำบาก แตะที่นี้เขาก็จะมาแป้งทอดผ้านี่ครับมีโจอยู่ในวันแล้วมันไม่หมอเลยพวกเราโดนป้นทำอะไรเนี่ยเวเราหมาอะไรนี้ครับจะติดเสียงผ้าได้นะครับถ้าหมอว่าอย่างนี้นะเวลาโย่เขาแจ้งสร้างรูหน้าเนี่ยถ้าต้องบอกทั้งเจ้าผ้านะครับทั้งโย่ต้องบอกทั้งโจนะครับบอกเจ้าผ้าบอกโย่นะว่าเนี่ยที่เนี่ยมีพว้โจงซ่อมสุมอยู่นะต้องบอกคห้เตัวมีอตรายอะไร่างนี้นะครับบอกไป เพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเข้าจะได้ไม่มาตีเตียนเราใครได้ป้องกันตัวใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกจรด้วยนะครับให้แกหนีไปไกลๆน้าอย่างพวกมาแถนี้นะครับถ้าไม่บอกโจอแล้วเกิดจะเป็นยังไงนะครับเกิดพวกที่มาเนี่ยข้าตํารวจมาด้วยเห็นนะครับข้าวอ้างบอกว่าเราบอกเราบอกข้ามีโจอเนี่ยข้า่าตํารวจมาเลยร้องเลยนะครับแล้วก็มาจับจโจอก็จะโกรธผ้านะครับ ก็จะหาว่าเอาอุปถัมภนะครับไปบอกตำรวจให้มันจับแน่นอนครับเนี่ยนะเ <c oughs> พราะน้กฆาต้องบอกทั้งสองฝา่ายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าต้องแจ้งสร้างคนอื่นจะรู้ที่มันจะบอกได้ถ้าเขาไม่ได้แจ้งสร้างเราก็ไปชารตรงนี้นะครับก็จะต้องงานบทในข้ อ, อ น, ะะนีนนนตอน้ต่อไปนะครับมาดูนะต้นบรรยัตินะครับต้นบรรยัตินี้เรื่องของ พอรับใช้ของเจ้าสักยะครับพวกบ่าวนะของเจ้าสักยะนะโดยสมัยนั้นพุทธม่าป้าพุทธเจ้ากระทับอยู่หน้านิโธารานเขตพระนครกับดินพระาาสักกรชนบทครั้งนั้นพวกบ่าของเจ้าสักยะทั้งหลาย้ก่อแพร่ร้ายนะครับนางสายกิยามีทั้งหลายปริานาจะทำฟาตอาหารถวายที่สุดทั้งหลายผู้อยู่ในเสนาสนะป่าพวกบ่าของเจ้าสักยะได้ทราบข่าวว่า นาสักียานีทั้งหลายปัทนาจะทำก่อตฐานชาวะพิสุทธิ์ทั้งหลายผู้อยู่ในเสนาสนะปา่าจึงไปส้มอยู่ที่หนทางคอยดักเลยนะเนี่ยเหล่านาสักียานีพากนกำลังของเทศของชนอย่างปณีสไปสุดเสนาเสนาสนะปา่าพวก บ, บาปได้ออกมาแย่งชิงผู้นาสักียานีและประทุสลายนะครับขมคืนเลยนะครับอันนี้เนะี่ยแย่งชิงของด้วยแล้วก็ผมคืนด้วยนะครับดักนะเลย พวกจ้าศักระยะออกไปจับผู้ร้ายพวกนั้นได้พร้อมด้วยของกาลางจับได้เลยนะแล้วพายันเพ่งตั้งิเตรมปัจนาว่าเมื่อพวกผู้ร้ายอาศัยอยู่ในอารามีฉะนั้นทุกุณจ้าทั้หลานจึงไม่แจ้งความเล่าลววนะพรับทกทั้งหลายนีพวกจ้าศักระยพระยาพายันเพ่งตั้งดิเตรมปัจนาอยู่จึงการมุ่งนต้มเนื้อผ้าเจา้าผูดวแลก็สมเยตฐานอย่านี้ขึ้นมาไม่มีการติเตียนนะพ่อพ่างแม่ทำอะังคิดนะ่ ดีดีเนี่ยคนก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้มาบอกล่วงหน้าอะไรก่อนใช่ไหมเนี่ยนีไม่ได้มีติเตียนนะครับนี้ตรงนี้ครั้งแรกเนี่ไม่มีคําว่าพิสูอาภาษณ น, นะครับก็สมัยต่อมาแล้วก็มีเรื่องของพิสูกรูปหนึ่งท่านอาภาษณ์ น, นะอยู่ในเสนาสนะป่าชาว บ, บ้านได้พานจะนําของเกคสของฉันไปสุนทสนเทศป่าโดยที่ไม่ได้แจ้งชาวบ้านหน้าสาระ หรื ว, ว่ามีผ้าโขดก็ต้องทางขาวนานะจำได้ไหมที่สัปปยายะนี้นะครับครั้งแลรร้วได้กล่าวอภิษนานพิสูจนั้นว่านี่มรรคฉันเถิดเขาลับพิสูจนนั้นไม่รับนะครับรังเกียจอยู่ว่าการรับของเคสของฉันในเนสนาชนะฝั่งดื่งของตนแลนฉันพระาเจ้าทรงห้ามแล้วนะครับดังนี้แล้วไม่สามารถไปเที่ยวินบำบได้ได้อดอาหารแล้วยอมกฎนะครับ เธอได้แจ้งเรื่องนั้นเก็จุดทั้งหลายน่องหลาได้กลับเุ้องอนุนหลันมาพาเจ้าพระองค์ก็สรงมียาพิเศษนะครับ ว, ว่าถ้ามิสูจน์ผ่านนี่เป็นไงถึงคขา ไ, ได้แจ้งซ้่งหน้า ก, ก็ฉันได้นะครับนี่นะพิสูจน์ผ่านีด้เราคอยยังเงินเยอะเนือหลายข่อมนะต่อไปเรามาดูความที่ามาเนี่ยต้้นนะ คำที่ใบหน้าสองรหกสิบเจ็ดนะครับข้อที่สี่อธิบายปปดเศษนิยสิการบุชีสี่พึงทราบหาอธิบายสิการบุชีสี่ต่อไปคาว่ายานี่ขปนิตานี่อารกานี่เป็นต้นพึงทราบโดยในดังกล่าวไปแล้วในจีวรัะว่าสิขาบทนะครับวาดพระมินที่นะสินะสินะปดที่ใกล้จะหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งกิโลใช่ไหมปกลไม่เกินสี่กิโลนะครับ ก็เป็นศีลนัสนะตากที่มีฟุ้งโจรซ่องขุมอยู่มีร่องรอยการถูกร่องจี้ผ้าอะไร่างเงี้ครับต้องเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าลักษณะตากเฉยๆนี่ก็ไม่เข้าองค์นะครับต้องมีอันตรายอะไรลักษณะนี้ด้วยในคําว่าปุพเพอปฏิสามิธีต่างนะเขาไม่ได้แจ้งสร้างก่อนนะ ส, ต ร, นนสตรีก็ดีบุตรก็ดีคารุณหันก็ดีบรรพชิตก็ดีเข้าไปวัดหรือเขตใกล้วัดนะครับ บอกชื่ออาหารใดว่าท่านผู้เจริญจะมีทายกนำของเคี้ยวของฉันมาจากตระกูลชื่อ น, นี้นะครับ <c oughs> นี่นะเขาแจ้สร้างก่อต้องเข้ามาในวัดเลยนะครับ <c oughs> ในเขาบอกว่าในวัดหรือว่าเขวัตรวัจนจะนับอาหารตามที่บอกไว้นั้นมาภายห ล, หลังก็ตามเขาจะทำอาหารนั้นให้เป็นใหญ่และถวาอาหารอื่นแม่มา พอมกัอาหารที่บอกไว้ก็ตามได้เขาบอกแต่ว่าจะถวายห้าวต้มใช่ไหมแต่ข้าเข้าสวยขนมนมเนยมาสมทบด้วยนะครับอันนั้นก็ใช้ได้นะนะครับก็ถือว่าเอาเอาที่แจ้งสราบคุณประธานที่เดี๋ยวก็มาสมทบได้ยิ่งปัญหาแล้วก็แต่กูนั้นจะฟังว่าแต่กูโน้เขาบอกให้สร้างแล้วเถือของเทียของฉันมาแล้วนํามาถวาย เตระกูลเหล่านะั้นอันนั้นก็ตามนะครับทั้งหมดนั้นชื่อว่าบอกให้รู้แล้วมันถึงมีตระกูลหรือขาอแจ้งทรางแล้วนะตระกูลเข้าลูกข่าวเขาก็เลยมาสมทบด้วยเรามารวบทำบุญด้วยอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าบอกมาแล้วนะ่นส่วนอาหารใดที่ยังไม่ได้บอกนะครับไม่ได้มาแจ้างทราบเลยและไม่ได้นํามาอย่างนี้อาหารนั้นชื่อว่ายังไม่ได้บอกนะครับถ้าบอกว่าต้องเข้ามาบอกเในว่าดนี่เยนะ่ ถ้าบอกกันก่อนที่จะถึงวันนะบอกค่านในหมู่บ้านอะไรเนี่ยหรือวนนอ่าการถนนไหงนี่นะก็ไม่ได้ชื่อว่าบอกนะครับถ้าเข้ามาบอกถึงวันเลยอย่างนี้เลยแสดงว่าทางสามารถบอกนี่ก็ไม่ได้ทาามองบอกนี่ก็ไม่ได้ <laughs> ต้องเข้ามาถึงเลยนะครับอั น, น <laughs> สมัยเกินไปต่อ <laughs> ไปนะครับชื่อว่าไม่เป็นไข้คือผู้ที่สามารถเดินปิดบังไดาานะ้ คำว่าไปเทสานิยังความว่าเมื่อพิสุรับอาหารประเภทอย่างนะั้นถึงจะเป็นผู้มีฤทธิ์นะครับที่เดินหรือว่าขอาไปทางอาณาถวายก็ไม่ได้เพราะไม่ได้แจ้งสร้างก่อนนะถึงเขาไม่ได้เดินมาเขาไม่ได้นั่งลรถมานะเขาเหาะมาเนะี่ยก็ไม่ได้อย่างดีนะเพราะไม่ได้แจ้งสร้าบก่อนนะครับจะในว่าก็ตางเขตใกล้ว่าก็ตามนะครับแล้วฉันอยู่เพราะการรับต่อมาทุกบนะครับ เมื่อฉันต้องบไปเผยแสงนิยะผู้ทุกคําคือสิขาจะไม่ม่านเจ้าทรงปารุิกสูตหลายรูปในควายสักการทรงมงเหยงด้วยนะต้องเห็นเกิดการไม่บอกแก่ทา ย, ยกว่ามีใครซุ่มอยู่ในวัด น, นะครับเมียนี่มันอย่างอย่างเดียวคือการไม่เป็นไข่ปฏิกิริยาตายเทยแสนิยะเขาไม่ได้บอกให้รู้นะครัเข้าใจสงสัยสมควรติดว่าเขาบอกแล้ว แล้วก็ต้อง บ, บัตรท่านั้นนะครับถ้าพ่อไม่ได้บอกนาะความจริงเป็นอย่างนี้ยเมื่อไปสู่ร่ำยามากการลิขิต น, น้ำปานาถึงต้นเพื่อเป็นอาหารนะครับอเพราะการรับประทานและการกินกินต้องบัตรทุกก ฎ, ท, กกฎทุกกฎอย่างเดียวเลยเพราะว่าของเค้ของฉันใช่ไหมถ้าเป็นน้ำปนานาสินอ่ะบัตรก็จะบอลรองนะครับเช่นเดียวกันเขาบอกให้ทราบแล้วนะครับสําคัญว่ายังเมื่อได้บอกถ้าจะลืมเอ๊ะเขาไม่ได้บอกเลยนะครับ หรือมีความสงสัยไม่ด้บอกนี่ยัไม่ได้บอกนี่นะแล้วก็ไปรับมาฉันต้อมบัตรที่กดนะครับอานาบัตรสาคัญว่าบอกแล้วก็ดีเขาบอกแล้วแล้วก็เข้าใจจําได้อะไรที่สูบไข้ก็ดีนะฮะฉันได้ที่สูบฉันอาหารที่เขาแจ้งไว้ก่อนแล้วนามาถวายก็ดีอันนี้ก็ตรองไม่มีปัญหาฉันอาหารที่เหลือจากที่สูบไข้ก็ดีนะครับอ๋อพักป่วยนะท่านใช้ไม่หมดได้นะครับ ฉนอาหารที่รับประเคนนอกวัดก็ดีนี่นะโยมเข้ามาถึงวัดอะไรใช่ไหมเราจะแก้ข้อนี้ยังไงก็แก้ด้วยผีนี่เลยครับบอกโยมอาตมาเล่าไม่ได้นะออกไปนอกบ้านก่อนไปถวายนะนอกวัด <c oughs> พอถวายนอกวัดจะไปศาลที่ไหนก็ไม่เป็นไรนะครับพ่อโยมยังไม่ได้แจ้งสาราบอาตมาเล่าไม่ได้เลยล่ามาศาลนี้ต้องลำ บ, บากเลยโยมต้องออกไปนอกวัด น, นะออกไปนอกวัดถวายนอกวัดแล้วก็ได้ หรือว่าโยออกไปนอกวัดก่อนนะเดินเข้ามาบอกก่อนแล้วก็อาหารมาถวายที่นี่หลายขั้นตอนนะอืมอ่ามึงไงก็ต้องให้บอกก่อนนะครับหรือว่าถวายกันนอกวัดเลยอือชั้นล่างไม้ผลไม้เป็นต้องที่เกิดในวัดก็ดีอันนี้ไม่เป็นไรนะครับมีพวกผลไม้ล่างไม้าอย่างต่างเกิดขึ้นในวัด น, นะโยา ก, กับไปย่างมาถวายให้นะครับแต่ถ้ายังไม่เอากลับไปวัด น, นะ เขาก็เก็บผลไม้ในปลาในว่าตรงนั้นนะครับแล้วก็ถวายพา <c oughs> ระแล้วก็ไปเก็บหนองมา <c oughs> หรือว่าเห็นมาสางวันนะแล้วก็ไปแกงที่บ้านนะครับแล้วก็มาถวายอย่างนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเข้าไปที่บ้านแล้วถ้าจะมาถวายก็ต้องแจ้ซ่าก่อนนะครับนี่นะพิสุทธฉันยามาการิเป็นต้นนะครับที่ได้มาจากทายมูุถวายว่า เมื่อมีเหตุนิ่มโนฉันเถิดก็ดีนะครับน้าป่าน้าก็แก้กับหานะครับสัตาหายาวชีวิตก็แก้แกโรคนะตามครณีนะครับแรงไม่สูบบ้าเป็นต้องก็ไม่ต้องอาบัดต้องอาบัดสิขาันนี้มีองค์เจ็ดคือหนึ่งเซนาสนะอยู่ในป่าตามที่ก่ายไว้นนะครับหวะะบาละใบหน้าหวะะายอะใบทางเฉพาะนะ้นนะสองยาวกคคาิสอาหารนะครับไม่ใช่เป็นของเกิดอยู่ในวัดนั้น อันตอนนี้ม้ชาชาติจะเ พ, พาะโคชนะนะเอาอาหารหมดเลยอาหาหมดเลยนะครับสามไม่ได้เป็นไข้สี่ไม่ใช่ของเหลือจากที่สู่ไข่ห้าเขาไม่ได้บอกให้ส ร, ะะารยย้างต่องหกรับประเคนในอาราโอเยจริงๆเนี่ยเ จ, จ็ดคืนกินนะครับคราบอวกว่าต้องบันสิกขาบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับการถิ่สิกขาหบทนั่นแหล อะไรครับ<ะ>กายวาจาจ<ะ>กายวาจาสิาาครับจบการที่บายไปในสัสิกขาบทที่สี่จะต้องยายนาข้อนี้น ะ, ะใช่เ้าปองอะไรทึงองนี่นะต้องยากนะครับเสนาสนะาที่นะมาหาวานะไรครชินเพราะน่าไม่ค่อยมีแล้วนะนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมีใช่ไหมพวกอะไรเขายืนใ น, นย่งนางในสมัยก่อนออแล้วก็พวกนี้ก็ชอบอยู่ ป, ป เพราะว่าเป็นที่ซ่องสูงที่หลบแล้รบ้างนะอันนี้ก็จบการอธิบายไปสำนึกคที่สี่นะครับการอธิบายหมดไปในสัญญาแนตะขาบพระปาิโมชื่อว่ากัางขานวิจารณีจบแล้วทุวกประการนี้นะครับจบนะครับ